เวลาเราภาวนานะ๋ยวไปทำแต่ความสงบแต่ถ้าฟุ้งซ่านก็ทำสมถะก็มีเรี่ยวมีแรงจิตใจมีกำลังแล้วมาทำวิปัสสนาต่อทำสมาธิไปเรื่อยๆไม่บรรลุเดินปัญญารวดไปเลยเหน็ดเหนื่อยมีข้อดีข้อเสียเดินปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิเลยไม่ได้ทำสมถะเลยเหน็ดเหนื่อยมาก แต่ไปได้ไ้ยไปได้ไปแบบแห้งแรงเรียกว่าสุขภิปัสสะแห้งแง้งแต่ต้องอาศัยสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะถ้าไม่มีสมาธิก็ตั้งคณิกาสมาธิก็เดินปัญญาไม่ได้คณิกาสมาธิเป็นไงเวลาใจเราไหลไปเรารู้ทันเราก็รู้ตัวขึ้นขณะหนึ่งรู้กันเป็นขณะขณะไปสั้นๆ อย่าดูถูกว่ามันสั้นนะสิ่งที่เราเห็นเป็นเส้นตรงนะจริงๆมันเป็นจุดที่มาต่อๆกันเท่านั้นนะต่อพันจุดเล็กๆนั่นเองเอามาพลอตต่อกันเยอะๆเข้าเรียงเป็นแถวก็ดูเป็นเส้นขึ้นมะาเป็นภาพลวงตาแต่จริงสมาธิไม่ได้เกิดทีเดียวยาวๆหรอกกระทั่งอัปปนาสมาธินะจิตที่เขาเกิดดับๆๆๆๆ เ, เกิดดับๆๆๆ เ, เกิดดับแหละแต่ในอัปปนาสมาธินั้นจิตเกิดดับนะ มันเกิดใหม่ในลักษณะเดียวกับตัวเก่ามันก็เลยรู้สึกตัวเก่าเนี่ยยาวมากเลยที่จริงก็เป็นขนาะขาะเหมือนกันนี่ถ้าเราใช้คณิกสมาธินั่นก็รู้แล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอนะต่อไปพอชำนาญมากเข้ามันรู้ทีขึ้นทีขึ้นมันก็เหมือนรู้ได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะเราไม่ได้ฝึกให้รู้ต่อเนื่องเราสมาธิเองก็เกิดดับ แต่อาศัยโชวยโอกาสตอนที่สมาธิเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมานะคอยดูของจริงค่อยดูความจริงนะในของจริงความจริงก็คือไตรลักษณ์ของจริงก็คือรูปนามกายใจของเราดูซ้ําไปซ้ำมานะจนมันพอมันพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอับปนาสมาธิรวมเองไม่ได้เจตนาให้รวม ถ้าจิตรวมเข้าอพปานะแต่ว่ารวมแบบเป็นลักขณูปนิชานไม่ได้จับอยู่ที่อารมณ์จิตรวมลงที่จิตแล้วมันจะเห็นการทำงานภายในจิตจิตมันจะไหวตัวขึ้นสองสามขณะไหววับดับวับดับถามว่าอะไรเกิดอะไรดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำไมใช้คาว่าสิ่งใดซัมติงไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติอะไรทั้งสิ้นเห็นแค่สภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับไปดับไปสองขณะสามขณะถ้าจากนั้นจิตวางการรู้สภาวะนะทวนกระแสเข้ามาไม่ใช่ทวนเข้าหาตัวผู้รู้นะคราวนี้ทวนเข้าหาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จะไม่เหมือนจิตผู้รู้อีกต่อไปละมันทวนเข้ามาหาธาตุรู้ตัวน ธาตุรู้เป็นอะไรเป็นธาตุรู้ธาตุรู้จะไปบรรยายได้ไงเมื่อทวนเข้ามาถึงธาตุรู้นะอริยมรรคเกิดขึ้นมันจะแหวกทำลายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่คล้ายๆเปลือกมันถูกทำลายให้แตกมอนอย่างลูกโปวงสวรรค์นนะ มันเป็นลูกโป่งสวรรค์ได้เพราะมันยังมีเปลือกคุ้มอยู่นี่พอเปลือกลูกโป่งแตกแก๊สมันไม่มีขอบเขตกระจายออกไปอาสวะนี้ห่อคุ้มจิตไว้ทําให้จิตเป็นจุดเป็นดวงเป็นที่ตั้งอาสวะถูกทําลายลงชั่วคราวนะจิตก็กระจายเต็มโลกธาตุที่เรียกว่ามหาสุญญตาจิตสัมผัส ไม่มีคําพูดแล้ตรงนี้อยู่ไม่นานตรงที่จิตตัดกิเลสเนะี่ยหนึ่งขณะเท่านั้นตรงที่จิตสัมผัสพระนิพพานนะี่ยสองสามขณะเท่านั้นถัดจากนั้นจิตจะถอยออกจากสมาธิกลับมาสู่โลกอย่างเนี้กลับมาสู่โลกอย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตต้องเข้าฌานอย่างน้อยฌานที่หนึ่งปฐมฌานต้องเข้า แต่เข้าเองเราไม่ต้องกังวลว่าเราเข้าชานไม่เป็นถึงเวลามเข้าของมันเองเพอเกิดมากเกิดผลแล้วจิตจะถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้แล้วมันจะทวนกลับเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยไปดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรตายไปแล้วบ้างกิเลสอะไรยังเหลืออยูนะ่เป็นการประเมินผลเข้าทำของเขาเองอ ถาภาวะอย่างนี้เกิดจนถึงครั้งที่สี่อ๋อแต่ว่าตอนที่เกิดเรียรมากเรียรผลเสร็จนะอาสวกิเลสจบมาห่อหุ้มจิตใหม่นะจบมาคลุมใหม่แต่จิตไม่ใช่ปุถุชนล้ความรู้สึกนึกคิดจะต่างไปเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่าขันนันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเห็นขันมันทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำไม่มีเรากระทา ขันมันทําร่างกายมันหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนความสุขความทุกข์มันมีขึ้นมามันหายไปความกุศลอกุศลมันทำงานขึ้นมาแล้วมันก็หายไปจิตมันทำงานขึ้นมาแล้วมันก็หายไปไม่มีเราที่ผู้ทำงานมีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทํามีขันอยู่แต่ไม่มีเจ้าของใ่จะรู้สึกอย่างนี้โดยไม่ต้องรักษานะจะเป็นอย่างนี้อัตโนมัติเย งั้นถ้าเราภาวนาแล้วเกิดอะไรแปลกแปลกขึ้ น, นอย่าเพิ่งเชื่อบางคนเชื่อง่ายเรียกใจง่ายนะใจง่ายไปนั่งสมาธิวูบบรรลุแล้วความจริงหลับนในขณะนั้นลืมหมดเลยกายไม่มีใจไม่มีบอกบรรลุแล้วไม่ได้มีกระบวนการล้างกิเลสอะไรเกิดขึ้นเลย น, นั่งต่อไปอีกวูบหนึ่งอู้ได้สักตาคาและนะ พอวูดครั้งที่สี่หลับยาวถึงเช้าเลยมันรูปผ้าละหัน <c oughs> งั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่จะทดสอบเราได้ดีที่สุดคือกิเลสคอยดูกิเลสถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยความเห็นว่าเป็นเราจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยความเห็นว่าเป็นเราจะไม่มีอีกเลยดูยังไงขันก็ไม่เป็นเราคิดนำให้เป็นเราก็ไม่เป็นขาดแล้วขาดเลย ขั้นที่สองดูยากนะสกทาขามันไม่ได้ล้างกิเลสหลักๆต่สตรีมจะเร็วใจไหลแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกเลยเร็วกิเลสจะอ่อนแรงลงไปเยอะเลยขั้นที่สามเนี่ยจิตจะไม่ยึดกายจิตจะปล่อยวางกายได้นะไม่ยึดกายก็คือไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายตายังไม่ยึดแล้วจะไปยึดรูปทาไมหูยังไม่ยึดจะยึดเสียงทาไม จมูกยไม่ยึดจะไปยึดกลินทําไมลิ้นยังไม่ยึดจะไปยึดรสทําไมร่างกายยังไม่ยึดเลยจะไปยึดสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายความเย็นร้อนอ่อนแข็งทําไมเมื่อไม่ยึดในรูปก็หมดความยินดียินร้ายในรูปไม่มีกามและปฏิฆะไม่ยึดเสียงก็ไม่ยินดีินร้ายในเสียงไม่มีกามและปฏิฆะพระอนาคามีก็เลยพ้นจากกามราคะและปฏิฆะความขัดใจ คำราคาพอใจในอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปฏิฆะไม่พอใจอะไรไม่พอใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเราต้องดูว่ามันกิเลส ต, ตัวไหนตายไปนะแล้วครั้งที่สี่ก็ดูอีกครั้งที่สี่ดูอีกส่วนมากมาไม่ค่อยถึงนะหลวงปู่ดุล์เคยสอนหลวงพ่อว่านักปฏิบัติที่ เป็นระดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือได้ขั้นที่สามเทนั้นะขึ้นถึงขั้นที่สี่ไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องปล่อยวางจิตแต่เป็นสงวนรักษาตัวจิตเอาไว้พวกเราที่หัดกรรมฐานมาตั้งแต่ขั้นเบสิกเนี่ยเราพยายามพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมานึกออกไหมเราพยายามที่จะมีจิตผู้รู้เพื่อว่าจะเอาจิตผู้รู้เนี่ย มาทำวิปัสสนาไปรู้กายรู้ใจเห็นไจรลักษณ์ของกายของใจจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวสุดท้ายที่เราจะต้องทำลายให้ได้หลกตามหาบัวเรียกว่าจิตอวิชชาอะไรคือจิตอวิชชาจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวจิตอวิชชาเอาวิชาซ่อนอยู่ในตัวผู้รู้นะอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่เห็นอวิชชาหรอกคนละชั้นกันมวยคนละชั้นเห็นได้ราคาโทสะโมหะเห็นได้แค่นิวรณะ กลับมาฉันท่าพยาบาทเห็นได้แต่ไม่เห็นไม่เห็นถึงอวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ทุกสมุทัยนี้รถมัดไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้รูปนามในอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าอาวิชชาเวลารู้ในสิ่งเหล่านี้รูท้ทีเดียวในขณะจิตเดียวพร้อมๆกันหมดเลย รู้ทุกข้าสมูทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะจิตเดียวกันเลยนะแล้วก็แจ้งรูปนามในอดีตอนาคตอดีตและอนาคตรู้หมดเลยนะแจ้งทีเดียวจิตพอถึงที่สุดเนี่ยนะมันไม่กลับไม่มีอาสวะมหาห่อหุ้มได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นข้างนอกเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างนะจิตของพวกเรายังมีขอบมีเขตมีจุดมีดวง มีขอบเขตมีจุดมีดวงมันก็เลยมีที่ตั้งมันตั้งอยู่ในกายจิตพระอรหันต์นะมันขอบเขตไม่มีมกว้างขวางไรขอบไรเขตหลวงปู่ดูลบอกว่าภายนอกมองภายนอกเนี่ยไม่มีรูปร่างว่างเปล่าจิตพระอรหันต์มองภายนอกว่างเปล่าภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวภายใน จิตพวกเรามีความเคลื่อนไหวไหมเออรู้นะยังไม่ใช่พระละหันนะรู้นะเอออย่านึกว่าพระละหันหันไปหันมาออ <c oughs> หรือบางคนบอกเป็นพระละหันนะพอเข้าสมาธิจิตไหลวื้ไปเลยนะจิต ย, ยังมีการไปมีการมาเลยไม่ใช่หรือบางคนสอนนะว่าจะเป็นพระละหันนะให้ประคองจิตอยู่ภายในนิรันดรไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งประคองอยู่ภายในนิรันดร น, นี่ยจิตพระละหาัน อาหารอะไรมีในมีนอกถ้ายังมีในมีนอกก็มีสองอย่างจิตพระอรหันต์เรียกว่าจิตหนึ่งมีหนึ่งเดียวไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกยังไม่ตั้งไว้ข้างนอกไม่ตั้งไว้ข้างในมีที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของจริงค่อยเรียนค่อยรู้นะค่อยภาวนาไปดูตั้งแต่เบื้องต้น นี่พอเราเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมักจะคิดว่าบรรลุมากผลเนี่ยอาภาพที่สุดเลยนักปฏิบัติหลายคนจะเป็นไม่ดูว่ากิเลสอะไรถูกทําลายไปแล้วนี่พอดูกิเลสก็ามาดูไม่เป็นอีกอย่างภอวนาไปแล้วมันวูบๆบนะคิดว่าบัติรู้แล้วไหนดูสิตัวเรามีไหมส่งจิตไปเที่ยวดูที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าจงใจดูจิตมันจะว่างไปหมดเลยนึกออกไหมเอ๊ะไม่มีกิเลสแล้ว เฉลอยจะไม่ใช่แค่โสดานนะเนี่ยเฉลอยจะอรหันนี่จงใจดูเข้าไปนะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะดูนะต้องดูทีเพลินะหรือทีเพลินะถ้าตั้งใจดูไหนดูซิสักยัตทิฐิไม่เห็นมีไหนกรรมมีไหมรกรรมไม่มีกรรมนะปฏิฆาก็ไม่มีออนนเอออนาคาระอวิชาล่ะดูซิในหลวงพ่อบอกว่าวิชาอยู่ในตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เป็นไงดูว่าง ว่าไม่มีวิชาแล้วอย่าไปหลงกลมันนะตอนที่จะดูเนี่ยต้องดูในสภาวะจิตธรรมดาที่สุดเลยอย่าไปจงใจดูจงใจดูจะไม่มีอะไรให้ดูนะเพราะฉนัคิดว่าบรรลุแล้วอย่าไปตั้งใจดูนะต้องเล่นที่เผลอนะแล้วก็ต้องจิตจะต้องมีเงื่อนไขอีกตัวนะจิตต้องไม่ไปติดล็อกอยู่ในภพที่ละเอียดอันใดนหนึ่ง บางคนภาวนานะจิตเป็นล็อกนิง่งสว่างว่างอยู่ว่างอยู่อย่งี้ว่างอยู่ข้างหน้าว่างให้ดูกิเลสเท่าไหร่ก็ไม่มีถ้าไมไม่เห็นกิเลสอะไรเลยนะม่นไปติดอยู่ในพบพบหนึ่งซึ่งไม่เดินปัญญาไม่เห็นกิเลสหรอกพบว่างๆเงืนะ่อนตัวหลอกเนี่ยเยอะมากนะให้เราทบทวนเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งเชื่อนะทวนแล้วทวนอีกกระทั่งตัวเราเร า, ายังไม่เชื่อง่ายนะต้องทบทวนดู เพร่งั้นถ้าคนอื่นเ็าบอกเขาบารู้อย่าเพิ่มอนุโมทนาว่าครูบาอจารย์องค์นี้เป็นพระอรหันเฉยไปก่อนอย่าเพิ่มบอกไม่ใช่หรอกออใช่เปล่ายังไม่รู้แต่ว่าไม่อนุโมทนานะโอ้ท่านเป็นพระอรหันจริงด้วยอย่างนะี้อย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนะพระพุทธเจ้าสอนไว้หมอถ้าใครบอกว่าเขาเป็นพระอรหันหนนะ่าหรือได้มากได้ผลนะ ไม่ปฏิเสธนะแต่ไม่อนุโมทนาแล้วสังเกตเอานะสังเกตอะไรนะสังเกตว่าสภาวะจิตใจเขาเป็นยังไงพฤติกรรมของเข า, าเป็นยังไงคำสอนของเขาเนี่ยเป็นยังไงถ้านะพระอราหันต์แต่คำสอนบอกให้ประคองจิตให้นิ่งนะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่ทางนะหรือบอกให้นั่งสมาธิอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเดินปัญญานี่ไม่ใช่พระอราหันต์นะ หรือบอกว่าไม่ต้องมีสมาธิไม่ต้องฝึกจิตให้ดีหรอกให้คิดพิจารณาร่างกายไปเลยนะเดินปัญญาไปเลยนี่ก็ไม่ใช่หรอกนะว่าคำสอนอย่างนี้ไม่ใช่ตรงอยู่ในทางของสีลสิกขาจิตลสิกขาปัญญาสิกขางั้นไม่เชื่อง่ายนะไม่เชื่อตัวเองด้วยไม่เชื่อคนอื่นด้วยค่อยดูค่อยสังเกตเอา เอาตัวไม่รอดเธอตกเชื่อง่ายโดยเฉพาะเชื่อว่าเราบรรลุแล้วนะเชื่อง่ายถ้าเชื่อว่าคนนั้นบนรรลุคนนี้บรรลุอันนี้โง่นะใครเขาพูดอะไรก็เชื่อนะการรู้สึกนะดูเดินไปตามร่องรอยของศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้ววันหนึ่งเออจะพ้นไปถ้าเป็นโสดาจะเห็นขันมันทำงานไม่มีเจ้าของแล้ว ไม่มีเราผู้กระทำถ้าเป็นพระนาคาเนี่ยไม่หยุดกายนะจะเป็นพระอรหันเนี่ยไม่ยุดจิตพระอรหันไม่ยุดจิตเพราะฉะนั้นจะไม่รักษาจิตนะจะไม่มีการรักษาจิตอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เสงวนรักษาเพราฉะนั้นพระอรหันจะไม่มีมัญญานะมันไม่มีมัญญาอย่างกิริยามารยาทยังไงก็อย่างนั้น่ะไม่ทำให้ดูดี กระโดกกระเดกเคยเป็นคนกระโดกกระเดกก็จะเป็นคนกระโดกกระเด ก, กะนะั้นแะแต่ใจไม่มีกิเลสหรอกไม่ใช่ต้องติ่มติมนะเราชอบวาดภาพพาาระหันเนี่ยต้องติ่มติมนั่งยิ้มก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกิเลสหน้าบึ้งก็ไม่ได้ถือว่ามีโทสะทำหน้ายากอย่งเลยเงินไขยเยอะไปหมดเลยนะหันไปหันมาก็ไม่ได้ถือว่าโลภเนี่ยอยากกินน้าแทบตาย ต้องกำหนดก่อนอยากกินน้ำทาไมอยากจาเป็นต้องกินควรกินเนโอ้กว่าจะได้กินนะผ่านกระบวนการซัดฟอกยิ่งกว่าผ่านลัศพายนะสมควรกินนี่น้ำอยู่ทางนี้นค่อยๆพะมองก่อ น, น, นกว่าจะได้กินน้ำนะไตาวายไปก่อนนะ ภาษาลิบุตรนะท่านเคยเป็นลิงห้าร้อยชาติห้าร้อยไม่ใช่แปลว่าห้าร้อยนะหมายถึงเป็นบ่อยๆเคยเป็นลิงห้าร้อยชาติกริยาท่านจะหลูกหลิกเห็นไหมพระราหัสหลูกหลิกก็มีนะหรือหลวงตามหาบัวดูไหมเรียบร้อยไหม <c oughs> นะเออหลวงตาถ้าหลวงปู่เทศเนี่ยงามงามงา ม, งามสุดยอดเลยว่านะท่านเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้แกล้งทําหลวงปู่ดูลก็เป็นอย่างหลวงปู่ดูลนะไม่มีมารยา เห็นไหมมันธรรมดามันธรรมดาที่สุดเลยนะใครใจลอยบ้างแสดงว่าอะไรไม่ใช่พระอรหันเห็นใจที่คลายไหมเห็นใจที่ผ่อนคลายไหมคําว่าดูจิตเนี่ยไม่ใช่จงใจดูใช่ไหมใจมันผ่อนคลายแล้ว ร, รู้ว่ามันผ่อนคลายไหนดูสิผ่อนคลายือ ย, อยัง จะไม่มีอะไรเลยงั้นดูจิตเนี่ยอย่าไปจ้องมันไว้ก่อนหลักของการดูจิตนะก่อนดูอย่าอยากดูแล้วไปดักดูไปจ้องรอดูระหว่างดูดูห่างๆอย่าถลําลงไปดนะูดูแล้วถ้ายิ น, ด, น, ยนดีให้รู้ทันยินระ้ายให้รู้ทันดูด้วยความเป็นกลางนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะถ้าดูกายไม่เหมือนดูจิตดูจิตเนี่ยตามดูตามหลังไปโกรธแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภ สุขเรารู้ว่าสุขทุกเรารู้ว่าทุกดูกายเนี่ยดูกําลังนะกำลังเคลื่อนไหวกําลังหายใจออกกําลังหายใจเข้าแล้นะ fact, ดูกายมีคําว่านาวเดี๋ยวนี้เลยนะดูกายเน่ดูลงปัจจุบันขณนะดูจิตที่เรียกว่าปัจจุบันสนตตันตะิเพระฉะนั้นการดูจิตเนี่ยดูปัจจุบันสัน ต, ติไม่ใช่ปัจจุบันขณนะสัน ต, ติเพื่อต่อกับปัจจุบัน สืบเนื่องกับปัจจุบันโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธไม่ใช่เมื่อวานโกรธนะวันนี้รู้เนี้ยยี่ไม่ใช่ปัจจุบันสันตตนะิขาดไปละห่างกันมากงั้นดูกายนะดูลงปัจจุบันขณะ ด, ดูเดียเ๋ยวนี้ตอนนี้กําลังหายใจตอนนี้กําลังยิ้มตอนนี้กําลังพัดดูได้เห็นใ้ตัวที่กําลังนั่งพัดอยู่นั่งยิ้มอยู่ไม่ใช่เราหรอกมันแค่วัตถุก้อนธาตุถ้ดูจิต ด, ดูใจก็อยไปดักดูนะ ปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอามีคําว่าค่อยรู้เอาจะรู้ไวๆสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสอนอยู่ในซีดีมีทั้งนั้นนะไปฟังฟังแล้วฟังอีกแล้วความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมฟังแต่ละครั้งนะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกแต่อย่าไปคิดว่าจะฟังจนบรรลุได้นะฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติหรอก รู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องดูกายดูใจของตัวเองมาฟังซีดีแล้วรอวักทองปิ้งบรรลุนี่ขี้เกียจเกินไปนะหวังผลเลิศเกินไปไม่มีหรอกต้องทําเอาทําไมคนสมัยพุทธกาลบางคนบนรรลุง่ายก่อนจะบรรลุง่ายเขาบรรลุยากมาแล้วเขาสู้ตายมาแล้วนะเพระงนพวกเราอย่าไปหวังอะไรลม้มล้มแรงๆงทุกอย่างเนี่ยต้องพึ่งลําแข่งตัวเองเลพึ่งลําแข่งยังไงเดินก็ต้องใช้แข่งนะ แข้งขาอ่อนเนี่เดินไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องใช้แข้งนะแข้งขาไม่ดีก็นั่งไม่ได้เรียกพึ่งลำแข้งตัวเองนะสู้เอาพอไหวไหมมาเรียนสตางเขาก็ไม่ได้เก็บใช่ไหมเรียนฟรีข่าฟรีบ้านฟรีนะฟรีทุกอย่างนะหนังสือฟรีซีดีฟรีพี่เลี้ยงก็ไม่เก็บตังค์งพ่อเขาไม่เก็บตังค์พวกเราเป็นหนี้นะจำไว้ เราจะใช้หนี้นี้ด้วยการภาวนานะเราภาวนาใช้หนี้นะทั้งพระทั้งโยมเลยพระก็กินข้าวชาวบ้านใส่ผ้าของชาวบ้านอยู่วัดของชาวบ้านก็เป็นหนี้ต้องภาวนาใช้หนี้นะยังพวกเราที่มาเข้าคอร์สเนี่ยต้องรู้นะว่าเป็นหนี้มาสามวัดแล้วนะนะนบัดนี้ไม่ใช่คนอิสระแล้วเป็นหนี้แล้วจะต้องใช้หนี้ด้วยการภาวนานะ พนทุให้ได้นะสักวันหนึ่งต้องพนทุให้ได้อา้าต่อไปส่งงานบ้านครับนวัสการครับหลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานก็เลยตอนบ่ายก็พยายามที่จะทำในรูปแบบมากขึ้นแต่มันก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ครับการทำในรูปแบบเนี่ยจะดีไม่ดีก็ทำไปเถอะแต่ใจจะได้กำลัง ใ, ใจมีแรงเนี่ยมันจะพันาง่าย ใจไม่มีแรงป้อแปะป้อแปะพอนำไม่ไหวต้องไปฝึกนะอะกับ น, นมัสการค่ะเมืม่อคืนตอนนอนอยู่ที่วัด น, นะคะก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยจะหลับะคะ่ะหลวงพ่ อ, อจิตมันไม่นิ่งะคะ่ะตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงประตูปิดเสียงดังก็เลยรู้สึกตื่นขึ้นมามจิตมันก็กลัวว่าฟุ้งไปไม่แปลกหรอกประตูนะลมมันพัดปิด <laughs> ได้ ในห้องอ่ะประตูตัวยังเปิดปิดได้เลยก <c oughs> ารเลื่อนอ่ะเลื่อนไปเลื่อนมาหนูเป็นคนที่กลัวผีด้วยอะคะอ่ะตอนนั้นก็พยายามที่จะให้รู้ตัวว่าจิตมันฟุ้งนะมันไปปรุงนะก็พยายามที่จะรวบรวมสมาธิของตัวเองอะคะ่ะแต่ก็ยังเผลอไปฟุ้งอยู่นี่หนูก็เลยทําพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปแล้วก็ ก็นิ่งขึ้นนะคะคุณพ่อเนี่ยโบราณมีคําอยู่คําไม่ได้ว่าหนูนะโบราณมีคําอยู่คำหนึ่งบอกทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายเนี่ยตอนนี้เรียกภาวนาการตายพุทโธพุทตัวผีหลอกทําวทำยังไงให้มันไม่จิตเราไม่รู้สึกไปกลัวหรือว่าไปคําว่าทำเนี่ยไม่มีในวิปัสสนากรรมฐานมีแต่รู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็เห็นความจริงของมันว่าเราบังคับไม่ได้เงืนคําตอบ นะถ้าหนูจะทำก็คือทำสมถะหนูพุโทโธนั้นถูกแล้วแต่วิปัสสนาไม่มีคำว่าทำนะกลัวอะไรกับผีอย่างมากก็แค่เลื่อนตู้เลื่อนเตียงนะขอบพระคุณค่ะกนะ ร, ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมยังพูดเพื่อเจออยู่ก็พยายามจะตั้งใจสามเวลายอย่างที่หลวงพ่อแนะนำาะ ส่วนในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งใจบริกา ร, รทั้งวันก็โก้มันก็ยังหลงไปอยู่บ่อยๆ้ะคะตั้งใจไว้เท่านั้นแหละแล้วก็ทำไปเรื่อยนะรู้บ้างเผลอบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติ นานไปนานไปเนี่ยมันจะเพลย์สั้นๆไม่เพลยยาวนะมันจะเพยนานตอนที่เราอ่านหนังสือแล้วมันก็เพลย์นั่นไม่ได้อย่างตอนอ่านหนังสือตอนทํางานที่ต้องคิดเนี่ยมันจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้ารู้กายรู้ใจก็อ่านหนังสือไม่ได้คือหลังจากอ่านหนังสือบางทีเราต้องกลับมารู้ใช่ไหมคะแต่บางทีก็เพลิ์มันหมดแรงหมดคล้วนิยายเนี่ยนิยายอย่าไปอ่านเยอะนะไม่ได้อ่านที่ยายเขาหลวงพ่อถ้าหนังสือการเมืองไม่ควรอ่านเลยนะ อ่านแล้วจิตเสื่อมเนาะนานๆดูข่าวทีหนึ่งก็พอแล้วพอให้รู้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะไม่ต้องตามไลยชั่วโมงนะตามไลยชั่วโมงแนละ้วเครียดเหมือนตามข่าวหุ้นตามตลอดเวลาเลยนะวันหนึ่งก็นั่งเฝ้าอย่างเงี้ยพอนายลำบากใจมันก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงนะใจมันออกนอกยมจะถามแค่สั้นๆค่ะอืต้องสั้นๆ น, น, นะขอกรมรมฐานในการกลับบ้าน้วยค่ะ กรรมฐานอยู่กับเราเองแล้วกายใจนี่เองอ๋อแต่ว่ามันถึงมันอยู่ในลักษณะที่เราภาวนาภายนอกใช่ไหมคะฮะวิปัสสนาเนี่นะออย น, น ะ, ะต้องอยู่ในภพนะอ๋อมีปัสสนาต้องอยู่ในภพนะแล้วยมถามนิดนึงว่าสมาธิลนะักษณะเอ่อในการที่เราจะเข้านิโรธสมาบัตินี่คือสมาธิของลักษณะที่เอ่อเป็นวิปัสสนาในการนิโรธสมาบัติไม่ใช่ที่ทําวิปัสสนานะอ๋อเหคะเป็นสมถะเป็นสมถะเออ เอาไว้ทํำวิปัสนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะนี่รสสมบัติมีอารมณ์นิพพานนะไม่มีอารมณ์รูปนามวิปัสนาทําได้เฉพาะอารมณ์รูปนามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วการกําหนดรีบทย่อยนี่คือก็คือมีสภาวะในการที่ดูตามปกติปกติอย่ากําหนดอย่ากาหนดใช่ไหมกำหนดไปว่ากดเป็นภาษาเขมรนึกอ๋อค่ะแปลว่ากดเอาไว้ข่มเอาไว้ค่ะนั้นโยมขอกันบ้านด้วยค่ะ ไปดูเอาสินะค่นะขอบคุณค่ะครับมาพกรรครับหลวงพ่อครับวันดีผมเดินจองกรมแล้วก็มือเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวครับเออแล้วก็จิตไหลไปคิดบางทีก็รู้ทันบางทีก็ไม่รู้ทันเออจากนั้นถูกแล้วถ้ารู้ตลอดไม่ดีหรอกครับ พอดีช่วงที่ลุยงาน ม, มันเหมือ น, นว่าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านนานอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็จะจะรู้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะธรรมดานะแต่เราก็ต้องลงทุนเนี่ยเราอยู่กับโลกต้องทำหากินนะครับก็มีเวลาเหลือเท่าไหร่ก็ทําทมันเท่านั้นแหละครับก็บางครั้งเหมือนว่าอยากจะเหมือนกับว่าเดิน ปัญญาควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคิดเป็นไตรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเอาเลยนะปัญญาคิดเอาไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้แต่ความสงบครับปัญญาคิดเอาได้สมถะนะไม่ใช่วิปัสนาเพราะอะไรคิดนันวิตกนะวิปัสนาเพราเห็นเพราะเห็นของจริงคิดเอาก็ของปลอมนะนามสการ์ค่ะหลวงพ่อ หลวงพ่อคะหนูพอดีเด็กที่บ้านออกค่ะหนูต้องทํางานบ้านเองแต่หนูไม่ค่อยรู้เนื้อโลตัวเลยแต่หนูทําในรูปแบบทุกวันหนูทําอะไรผิดหรือว่าคะทำในรูปแบบแบบเดินจงกลมได้เก่งอะไรงั้นเนี่ยหนูนั่งสมาธิอะคะอ่ะต้องกวาดบ้านเก่งด้วยทําในชีวิตประจํำวันให้เป็นมันไม่ค่อยรู้ตัวเลยอะคะ่ะก็ฝึกออกสิค่อยๆทาไปอย่าใจร้อนมันใจร้อนอยากรีบให้เสร็จเร็วๆมันเลยไม่ยอมดูลุยๆๆมันจบ เดี๋ยวจะได้มานั่งสมาธิแล้วทำไมไม่ปฏิบัติไปเลยเนี่ยตอนนี้กําลังขี้เกียจกวาดอยู่ใจกาลังท้อทแทน้นี่ดูไปเข้า อ, อย่างนี้ยค่อยๆกวาดไปแต่ก่อนทําหนูก็ตั้งใจว่าหนูหนูร ะ, ะลึกถึงหลวงพ่อบอกว่าเป็นเป็นแบบกรรมฐานที่ดีที่สุดหนูก็แต่มันไม่เคยรู้ตัวเลยเคะ่ะหลวงพ่อถือเวลาไม่กวาดบ้านจะนั่งสมาธิทําได้ไงถ้ายังกวาดมัดเลย กอดไปรู้สึกไปในบินธบานต้องเดินเนี่ยเดินไปก็รู้สึกไปพราวนาทั้งวันน่ะเพราะฉะนั้นการทํากรรมฐานนะจะไม่เก่งเฉพาะทําในรูปแบบนะี้ไม่พอกินเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้ในชีวิตประจําวันนะยากกว่าตอนทําในรูปแบบอีกต้องค่อยๆฝึกเอาหนูต้องตั้งใจดูมากกว่านี้ <S 1> <S 1> ไหมใช่<ะ>คอยรู้ทันใจที่ร้อนนอะ ใจที่อยากให้มันเสร็จเร็วๆอ่ะรู้ตัวนั้นไปเลยนะนั่นแหละปฏิบัติแ ล, ล้วกราบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อค่ะก็เมื่อวานที่ได้ขอกันบ้านไปอ่ะค่ะก็เลยอยากให้หลวงพ่อดูว่ามันโอเคขึ้นไหมคะแล้วเราว่าไงอ่ะหนูรู้สึกว่า <laughs> ดีขึ้นมากคะ่ะออก็ดีสิสอนให้เราไปทำมันต้องดีแหละสอนแล้วไปทำแล้วแย่กว่าเก่าก็ผิดปกตินะ <laughs> ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนะคะที่คือหนูไม่เคยเกิดสภาวะนี้ค่ะนอนแล้วครันี้ก็เห็นว่าตัวเองพิกอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละสติมันดีขึ้นค่ะไวขึ้นใช่ไหมแล้วครันี้พอเราตื่นขึ้นมาก็ตกใจว่าเฮ้ยเราเห็นด้วยแต่ว่าคือเราไม่เคยเห็นอะไร อ, อ, อย่างเงี้ยจ้ะค่ะเไปฝึกนะค่ะกรรมฐานเนี่ยดีหรือไหมของไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจแปลกค่ะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือว่าตอนเมื่อเช้าหนูทําวัดเช้าอะค่ะแล้วครนี้ก็เห็นว่าตัวเองอะค่ะตอนกําลังสวดมนต์อะนะคะปากขยับเอเงี้ยเห็นเป็นกะโหลกอะค่ะ <c oughs> คือหนูหนูก็ตกตกใจเหมือนกันแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ไ ม, ไมไ่ไปเพ่งนะคะคือเห็นแล้วก็โอเคเห็นแล้วครนี้เมื่อกี้เดินไปทานอาหารนะคะก็พอมองไปออกไปข้างนอกเงี้ย <c oughs> ก็เห็นคนอื่นอนะเป็นแบบกระดูกเดินได้อะคะ่ะอันนี้เป็นผลจากการทําสมถะเก่าของเรานะ เพราะงันถ้าเราต้องการทําสมถะให้ดูกระดุกดูหัวกระโหลกดูตาโบ๋โบเนี่ยดูตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ดูปากแงบแงบนี้แล้วจิตก็สลดอะค่ะแล้วรานนี้ก็ก็ไม่ไปเพ่งก็คือเห็นก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ก็รู้เพราะงั้นต่อไปถ้าทำสมถะเนี่ยดูกระดุกไปเลยนะเป็นของเก่าของเราแล้วก็อย่าัวชแต่ดูกระดุกพอใจสลดให้รู้ว่าสลดนะแล้วดูความรู้สึกต่อเลย กราบนะมาสการค่ะหลวงพ่อ อ, อันนี้มาครั้งแรกอะค่ะฟังซีเดียของพระอาจารย์มาเกือบปีแล้ว อ, อย่าเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าปฏิบัติณนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างหนูเห็นกิเลสบ่อยไหมทั้งวันเลยค่ะโอ้ทั้งวันเลยนะคือพอตัวเองมีอารมณ์อะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์เราเป็นอะไรแต่ว่ามีหลายครั้งที่หยุดตัวเองไม่ได้ไ ม, ไม่ต้องหยุดอะแค่รู้มันนะค่ะรู้บ่อยๆ แ <Ha. S 2> ต่ไปมันหยู่ของมันเองแหละ mm hmm. หนูสังเกตไหมเวลามีอารมณ์มาครอบงําใจนะใจไม่สบายค่ะ <Ha. S 2> ต่อไปมันก็ไม่เอาหรอกมันทุกข์ mm hmm. ไปฝึก อ, อีกไปได้เจ้าค่ะ mm hmm. แล้วก็คือปกติทําในรูปแบบอนะเจ้าค่ะ mm hmm. บางช่วงจะรู้สึกว่าตัวเองโอเคปฏิบัติหมายถึงทําได้ดี mm hmm. แล้วก็บางช่วงมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองถดถอยอื mm hmm. แล้วก็บางช่วงก็จะปฏิบัติได้ดีแล้วก็<ม>ถดถอยจะสลับอยู่อย่างนี้ค่ะถูกแล้วล่ะต้องเป็นอย่างนั้นนะ<ม>ถ้าจเจริญรวดเดียวเราจะหลงผิดว่ากูออเกง่งกูเกง่งค่ะขอบพคุณค่ะก็คือได้ยินคนอื่นบอกว่าขันแยกขันแยกแต่ว่าสาหรับตัวเองเนี่ยไม่ไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าบางทีมันรู้สึกเหมือนกับคล้ายๆว่าเราจะจะจะดู ดูกายเคลื่อนไหวดูแบบนี้ได้บ้างไหมดังนั้ร่างกายกับใจมันคู่ละกันร่ารงกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูความสุขความทุกข์มันผ่านมาใจเป็นคนดูกิเลสผ่านมาใจเป็นคนดูนะแต่ว่าตัวใจเนี่ยเราไม่รักษาให้นิ่งนะใจเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอได้ไม่รักษาตลอดเวลานะคตามนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ พอดีมาปฏิบัติธรรมที่ส่วนสันติธรรมนี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่ก็เคยฟังซีดีของหลวงพ่อมาบ้างแล้วค่ะก็เลยอยากอขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยดูว่าการปฏิบัติของหนูเป็นยังไงบ้างะะเรารู้ได้เองนะอย่างเวลากิเลสมาเรารู้ไหมรู้ค่ะมันใจเราขี้โมโหไหมหโกรธบ่อยไหมอะไรนะคะโกรธได้บ่อยไหมขัดใจบ่อยไหมขัดใจก็ไม่บ่อยนะคะ คอยคอยดูนะกิเลสอะไรมาเราคอยรู้เรื่อยๆไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอกค่อยรู้ทันกิเลส ท, ที่มันมาในใจเราอะล้วก็เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะดูให้เห็นบ่อยๆแต่แปมันจะละอเอียดจีบเลยแค่เห็นว่าอากาศร้อนนิดหนึ่งใจก็หงุดหงิดละนะอะไรนิดหนึ่งใจก็หงุดหงิดละมันจะขุนขึ้นมาเนะี่ยค่อยๆดูค่อยๆรู้เดี๋ยวมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้น แล้วเราไม่ได้ไปปฏิบัติเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะเราเห็นว่าเออมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราบังคับมันไม่ได้นะภาวาให้เห็นใจรักกรรนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาสปีเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติกรรมฐานแบบอานาปนสติบริกรรมพุโทโธนะคะแล้วก็แต่เดินจงกรมแบบ เย็บย่างเจ้าค่ะเพราะว่ามันรู้เนื้อรู้ตัวชัดดีค่ะก็อยากกราบเองขอความเมตตาทำหลวงพ่อสองเรื่องเจ้าค่ะว่ากรรมฐานที่ทําอยู่เหมาะกับตัวเองไหมเพราะตเองเป็นคนลอยมากเจ้าค่ะแล้วก็ลอยกระดูกายนั่นแหละเหมาะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติเข้าทางหรือยังเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ดีแล้วล่ะนะจิตมันเปลี่ยนจากแต่ก่อนแล้วล่ะมันรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นนะสงบสว่างมากขึ้น แต่เราไม่รักษามันหรอกนะเราแค่อาศัยจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปเราจะเห็นในร่างกายมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้าเหมือนอุโมงอะไรสักอย่างหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองนะไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรเนี่ยดูลงไปน่าใจก็จะคลายความยึดในกายลงเพราะเรารักกายแดงดูกายไว้เ ห, หมอแล้วละ่นะเจ้าค่าาะกาบณัมสการ์ค่ะ ก็อยากให้หลวงพ่อแนะนําวิธีที่เป็นวิหารละทอามอะค่ะเราจะพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยตอนไหนฟุ้งมากเราก็พุโทโธเร็วๆพุทโธไปแล้วเราก็คอยรู้ทันใจพุทโธพุทโธใจสบายรู้พุทโธพุทโธใจฟุ้งสั้นรู้เราค่อยรู้ทันใจไปเรื่อยท่องพุทโธเล่นๆไปไม่ใช่พุทโธเอาเป็นเอาตายพุทโธพุทโธเล่นๆ แล้วเราก็คอยรู้ทันใจพุโทโธพุธโทโธใจสบายแล้รู้พุโทโธพุธโทโธใจฟุ้งซ่านรล้วรู้นะฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆนะจะได้เก่งค่ะ ข, ขอบคุณค่ะกรรมนิมมสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านสองปีที่แล้วนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างตอ้องปรับปรุงแก้ไขยังไงคะหลวงพ่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม เ ห, <S <S เห็นไหมเราไม่เหมือนเดิมหรอกเราอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งเท่านะั้นอย่าไปประคองมันให้มันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาใใช้ใจนิยมนะใจที่ดีที่สุดเลยที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำกรรมฐานคือใจธรรมดานี่เองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะไม่ต้องไปบังคับมันเรารู้อย่างที่มันเป็นนะ <พอ S 2> ไม่เหมือนกันนะสมถะบวิปัสสนาวิปัสสนารู้อย่างที่มันเป็น แต่ถ้ามันรู้ไม่ไหวแล้วก็ประคองไว้ก่อนทําสมถะนะประคองไว้เป็นสมถะพอมีเรื่องมีแรงพอดูไหวแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานอีกมาดูมันอีกอย่าประคองนมัสการหลวงพ่อครับอืหลวงพ่อให้กันบ้านไปเมื่อครั้ที่แล้วครับให้ไปดูเรื่องโทสะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับมีไหมมีเยอะมากเลยโอ้เยอะเลยวันๆตกนรกบ่อยเออแต่เปนนี้ไม่ตกแล้วเพราะรู้ทันแล้วครับ ล้วก็ให้ไปดูเรื่องขันครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเรื่องใจที่มันฉลับปะครับแออแป๊บแปเห็นไหมมันฉลับได้เองไม่ต้องรักษานะดูมันเห็นมันทำงานเองครับผมต่อไปนี้พอใจมีโทระเรารู้นะใจก็สบายถ้าเห็นใจฉลับไปฉลับมาครับฝึกอย่างนี้ไหละแล้วก็มีโอกาสนะทำความสงบเป็นระยะระยะนะ จะพุโทโธจะอะไรก็ทำทำไปให้สบายใจไม่บังคับใจให้สงบนะมัตักการณ์เจ้าค่ะคือโยมนะเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกอยากจะได้คมแนะนำการปฏิบัติถูกต้องจากหลวงพ่อนะคะโยมคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะหรืออย่างร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะเนีย่ยร่างกายพยักหน้านะดู<น>ดูมันดูคนอื่น แต่โยมชอบสวดมนต์มากค่ะดีสวดไปสวดมนต์ไปแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจสวดมนต์ไปแล้ววันนี้หุ่นหงิดรู้ว่าหุ่นหงิดสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตไปอสวดมนต์แล้วเพลินรู้ว่าเพลินสวดมนต์แล้วชอบรู้ว่าชอบเ<อ>นี่ยชอบก็เป็นกิเลส น, นะเพลินก็เป็นกิเลสสวดไปอะรหงสมาห์สมุทโธอะไรอย่างเงี้ยนะเพลิดเพลินเนี่ยเรารู้เลยโอ้หลงไปแล้วนะ สวดันแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆนะใจ <c oughs> มีความสุขก็รู้ใจเพลินก็รู้เดีวใช้ใหม่มใช้ใหม่หลวงพ่อไม่ได้ยินตื่นสวดตีสามทุกวันเลยไม่เคยขาดเลยค่ะเออดีแล้วกลางวันก็ห้าโมงเย็นก็จะสวดตั้งแต่ห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วมานอนเลยค่ะอืนอนทุ่มหนึ่งเลยหรอนอนทุ่มแล้วก็ตื่นตีสองครึ่งอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็สวดมนต์น่าหมดแล้วกลับบ้านไป